บทพิจารณาตายก่อนตาย ขอให้น้อมใจสงบด้วยการตามลมหายใจเข้าและออก เรานึกภาพดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานนึกต่อไปอีกว่าดอกไม้ดอกนั้นค่อยๆรยกลีบร่วงลงทีละกลีบส่วนที่ยังอยู่ก็เหี่ยวแห้งสีที่เคยสวยก็ค่อยๆหมองคล้ำนึกภาพจนกระทั่งเห็นดอกไม้ เาาลงหนที่สุด นึกถึงทิวทัศน์อันงด ง, งามยามอารุณรุง่งดวงอาทิตย์เพิ่งพ้นขอบฟ้านึกถึงสถานที่เดียวกันนั้นในยามเที่ยงแดดร้อนแรงอาทิตย์อยู่กลางฟ้าเหนือสีสักวันเวลาเคลื่อนคร้อยไปเรื่อยๆจนตกเย็น อาทิตย์คร้อยต่ำลงเป็นลำดับจนลับขอบฟ้าเหลือแต่ความมืดมิด เหล่านี้เข้ามาใส่ตัวเราว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่สักวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยเหี่ยวเฉาเช่นเดียวกับอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าไม่นานเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไป สักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้ก็ได้ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกนี้ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราอีกต่อไปเพราะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ร่างกายเราจะแน่นิ่งไม่ไหวติงไร้ความรู้สึกใดๆไร้แม้กระทั่งลมหายใจเข้าออก ให้นึกในใจว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เราคุ้นเคยที่เราเคยพบปะที่เราเคยหยอกเยา้าแย้มยิม้มคนเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้พบอีกต่อไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียว นึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวี่ทุกวันเรากําลังจะจากเขาไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านึกถึงใบหน้าของคู่ครองคนรักวันเวลาที่จะต้องจากเขาใกล้มาทุกขณะแล้ว นึกถึงมิตรสหายที่เราคุ้นเคยอีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้ว ถึงภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าเราได้พบเจอใครบ้างได้ทำอะไรบ้างนึกถึงช่วงเวลาบนโต๊ะอาหารเมื่อเช้านี้นึกถึงช่วงเวลาที่ส่งลูกไปโรงเรียนนึกถึงเพื่อนฝูงที่พบเจอในห้องประชุม พ่อคะแม่ขาหนูรักพ่อกับแม่นะคะต่อไปนี้หนูคงไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อกับแม่อีกแล้วลูกจา๋าคนดีของพ่อดวงใจของแม่เป็นเด็กดีนะลูกพ่อกับแม่ คงไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้อีกแล้วนึกถึงทรัพย์สมบัติ สิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากบ้านรถยนต์เครื่องประดับเงินทองของห่วงของรักทั้งหลายเรากำลังจะสูญสิ้นทุกอย่างไป ถึงงานการทั้งหลายที่เรารักและทุ่มเทมาตลอดไม่ว่าจะมีค่าปานใดเราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไปงานทั้งหลายที่ค้างค้างไม่แล้วจบเราจะไม่มีวันได้สะสางอีกแล้ว ไม่นานโลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตจะหายวับไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้แต่น้อยที่สำคัญก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตกำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมง ทีนี้ลองกลับมาสารวจดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ความรู้สึกในขณะนี้เป็นอย่างไรเรารู้สึกกลัวหรือไม่ลองพิจารณาความกลัวดูค่อยๆสัมผัสรับรู้ความกลัวนั้นความกลัวอยู่ที่ตรงไหนเรากลัวอะไร ลองน้อมรับความกลัวลองสังเกตความรู้สึกในใจเราให้ท่วนทั่ว มีความกังวลหนักใจเกิดขึ้นหรือไม่อะไรที่เรารู้สึกตัดใจลำบากที่สุดพ่อแม่คนรักมิสหายทรัพสมบัติหรืองานการ เราตั้งสติและพิจารณาในใจว่าทรัพสมบัติที่เรามีนั้นมันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เพียงแต่มาอยู่ในความดูแลรักษาของเราชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแล และใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนงานการทั้งปวงเราก็ได้ทำมามากแล้ว บัดนี้ได้เวลาเลิกงานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องวางมือและให้คนอื่นรับไปทำต่อไปเราได้ฝากงานไว้กับโลกมามากพอแล้วงานทั้งหลายได้กลายเป็นของโลกไปแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องห่วงกังวลอีกต่อไป กหลานญาติพี่น้องและคนรักทั้งหลายเรามีบุญวาสนามาอยู่กับเขาได้นานพอสมควรแล้วหน้าที่ที่สมควรทำเราก็ได้ทำมามากแล้วบัดนี้ได้เวลาที่เราจะต้องลาจากไปขอให้มั่นใจว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้ โดยไม่มีเราเราเคยลาจากเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เราเพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้น อีกไม่นานเราก็จะละร่างนี้ไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่หยิบยืมมาจากธรรมชาติร่างนี้เราได้มาเปล่าเปล่า จากพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไปได้เวลาแล้วที่ร่างนี้จะคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติ นี้ถึงเวลาที่จะปลดปลื้องสิ่งหมักหมมจิตความรู้สึกผิดติดค้างใจความเศร้าเสียใจที่ได้กระทำผิดต่อผู้อื่นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้กดทวงหน่วงทับใจอีกเลยยังไม่สายเกินไปที่จะขออภัย ณบัดนี้ขออภัยต่อทุกคนที่เราได้เคยล่วงเกินหมางเมินและเบียดเบียนขอเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย เรามีความคับแค้นใจรู้สึกไม่ดีต่อใครบางคนอย่าปล่อยให้อกุศลจิตนี้กัดกินใจเราอีกเลยขอจงให้อภัยเขาเหล่านั้นอโหสิกรรมทุกคนที่เคยทำความทุกข์แก่เราปลดเปลื้องใจเราให้เป็นอิสระจากความเครียดแค้นชิงชัง ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท้ายที่สุดนี้ขอให้ละวางทุกอย่างที่เคยถือเป็นของเรา ละวางแม้กระทั่งตัวตนหรือความรู้สึกว่าตัวฉันแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเราก็มิใช่ของเราจริงๆให้ละวางความยึดถือในตัวตนอย่าไป น, นึกหรือคาดหวังว่า ตัวตนจะไปเกิดเป็นอะไรให้ระลึกในใจว่าไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าอาดีตหรืออนาคต น้อมจิตสู่ความสงบสู่ความว่างสู่ความดับเย็นอย่างสิ้นเชิง